ห้าความอิ่มในการไม่มีมีพระพุทธภาษิตว่านักหาปนวัตเสนติติกาเมสุวิชชิออปปัศส า, าทุขากามาอติวิญญาะปันดิโตอปิทิพเพสุกาเมสุระติงโสนาทิคัตฉิตันหักขยรรโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโก แปลว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกมากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตันหาอธิบายความความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระาศาสดาตัดเพราะทรงปรารภเรื่อง พระเจ้าบรรดาตุราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราษสามารถให้ฝนคือรัตนเจตประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปลบมือครองราชสมบัติในมนุษยโลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าส ก, กะวงเล็บเท่ากับ16รัชกาลของจอมเทพชั้นดาวดึง เมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นภาษาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสำนวนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บาบัดเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรือ อยากได้เท่านู้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไร่ก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่าคนโน้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เข้าจริงความทะเยอทะายานอยากก็วิ่งออกหน้าไปอีก อยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนโลกการแข่งขันในกลุ่มชนมีทุกๆ ก, กลุ่มทั้งกลุ่มเล็กๆ ก, กลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอ ในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข็งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้น ในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่ น, นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนร้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขมิได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลายิ่งมีมากยิ่งอยากมาก กินเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลําบากมากเละเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่โง่และใช้ให้ทําความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาตก็ไม่ได้ เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจะเป็นต้องบอกใช้ไหววานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้าง มีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียดครา n ถลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิสการทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงการ ม, มาคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ กล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกรรมมาวจรภูมเพราะกรรมทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมตุนธรรมหรือการเสพกรรมการบริโภคกรรมการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกรรมมาสุกวงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากรรมประณีตกว่ากาม เหมือนกบในสะจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นเครือหาหรือปราศาทราชวังจึงสําคัญผิดว่าที่นี้เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขการมาสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่าที่สุดในบรรดาสุขสิบชั้นวงเล็บคือการมาสุขหนึ่งฌานสุขแปดและนิพพานสุขหนึ่ง แต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามาสุขและติดใจอยู่ในการมาสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโครหรือน้ำในสระที่ขุนคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะ อ, อกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่าการมาสุข คนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งการมาสุขและเนคขมมาสุขซึ่งเหนือกว่าการมาสุขนั้นทั้งนี้เพราะมัวหลังเลไม่แน่ใจจะเอาการมาสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนคขมมาสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงจึงเสียทั้งทางน้าและทางบกนอกจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าอานิจจาอัตถวากามาพระหุทุขามหาวิสา อยโยคุโลวัสัน ต, ตโตอะคะมูลาทุกขับพลามการมทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กมีความคับแค้นเป็นมมลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากรมนั้นมีความสุขเจืออยู่ด้วยเพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพรฒนาไม่หมดสิน้นความซอกสำรบมเพราะความผิดหวังในรักความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ การประหัดประหารกันเพราะอาศัยการเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกรรมเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกรรมทั้งสิน้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราชญ์ท่านจึงภาวนาโทษของกรรมไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผลไม้มีพิษ วันดิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตันหาเพราะความสิ้นตันหาก็คือความแห้งไปแห่งกามตันหานั้นมี3ประเภทคือ 1. กามตันหาความดิ้นรนหากาม 2. ภาวะตันหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก 3วิภาวะตัณหาความละอิจระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้ง3นี้แล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพ่บูรณ์อันไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์ พระาศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เพราะทรงปราพภิกษุผู้อยากศึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุผู้ไม่ยินดีในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอุปชายะส่งไปเรียนอุเทศในที่แห่งหนึ่งเรียนอุเทศคือเรียนพระพุทธวจนะหรือเรียนบาลีครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมบิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระ ผู้เป็นบุตรแต่ไม่อาจเห็นบุตรเพราะอยู่ไกลเขาบ่นเพอถึงบุตรเมื่อใกล้าตายได้สั่งบุตรผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวน100กหาปณ ะ, ะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์ร้อยกหาปณะไว้ให้แล้วตายเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังแล้วถามว่าจะให้ทําอย่างไรกับทรัพย์ร้อยกหาปณะนะ พิกสุนุมตอบว่าฉันไม่ต้องการกระหาปณ ะ, ะนั้นเธอเก็บไว้เถิดต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบินทบบาทขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยกระหาปณะนะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราสึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคัน้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุเทศจนพ่ายผอมลงมาก พวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากศึกภิกษุหนุ่มและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปชาพระอุปชายะทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากศึกพระนันทูนตอบว่ามีทรัพย์อยู่ร้อยกระหาปณะนะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระาศาสดาให้นาก้อนกรวดมาร้อยก้อน แผนกระหาปณะร้อยแล้วให้แยกเป็นส่วนๆสมมุติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกและที่ยังทรมาหากินไม่ได้ส่วนที่24เพื่อซื้อโคสองตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไถจอบเสียมและอุปกรณ์อื่น ๆ, ๆเมื่อนับอยู่อย่างนี้กระหาปณ ะ, ะไม่พอยังขาดอีกมากพระาศาสดาจึงตัดว่า ดูก่อนภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักกะหาปณะเพียงเท่านี้จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไรดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าวันทาตุราชให้ภิกษุฟังวงเล็บดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างตน้นแล้วตรัสพระคาถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีดยะ ดังพรนานามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปติผลหัวข้อที่หกสาระอันกเกษมคือพระรัตนตรยัยพระพุทธภาษิตซึ่งเราก็คุ้นเคยสวดกันอยู่ขึ้นตโ น, นภาหงเวสนังยันติปภาตานิวนาณิจะอารามรุกขเจตยานิมนุสสพยตติชิตา เนตังโขสะระณังเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณามะคัมะสัพพทุขาปมุจจะติโยจะพุทธันจะธรรมัญจะสังคัญจะสระณังขัโตจตาริอริยสัจานิสัมมปัญญาจะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุขะสะจะอติกมังอริยญจตถังคีกังมักขังทุกขูป ปะ ส, สะมคขามิหนังเอตังโขสารนังเคมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณามาคัมมะสัพพทุขาปมุตจะติเส๋เรงในสวดมนต์แปรมีอยู่แล้ว เ, เดี๋ยวอยู่แปรสำนวนนี้ฟังดูก็ได้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกไปคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นสารณะ พระพุทธเจ้าว่านั้นไม่ใช่สาระอันกเกษมไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสาระนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ตั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยรรสัจ4ี่ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองหรือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์มักมีองค์8อันประเสรศิฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความดับแห่งทุกสาระนั้น แ, แลกเกษม สรานะนั้นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรรณะนั้นแล้ว ย, ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ท่านอธิบายขยายความว่ามนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากัน เมื่อมีภัยคือความทุกมาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกนั้นๆตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหรือเศษหญ้าลอยมาคนก็หวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกโดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่พวงชนนั่นเอง แต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อักขิทัตเป็นเจ้ารัติคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนสิทธิของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีเป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานสารกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะ ไปพึ่งเข้าแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุก์ได้จริงการถึงพระรัตนตรยัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้สองประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมีสองระดับคืออันทปุถุชน 1. กัลยาณปุถุชนหนึ่ ง, นนงอันทัปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรยัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นซับฆ่าคนเป็นต้น คนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปนทรัพย์หรือข้าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทะปุถุชนส่วนกนะัญาณปุถุชนนั้นคือปุถุชนชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรยัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปสองทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลก กัลยาณปุตุชนมีสองประเภทคือ 1. กัลยาณปุตุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุตุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณ์ปุตุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไวา้เชื่อในอิทธิปาฏิหาร ต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตปิฎกและอัตถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทาบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตรตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มาด้วยปัญญาการถึงพระัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจ ด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิพ mm ุท hmm. ธังส um ระนังฆตาเสณเตฆมิสันติอปายภูมิงแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจะไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทางนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอน แม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นศีลประจําโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งมวล เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุรโรหิตชื่ออัคขิทัตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อักขิทัตปุรโรหิตให้ความหมายว่าปุรโรหิตเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัดธรรมแก่พระราชาเป็นปุรโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าเปเสนที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุรโรหิต อคิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอคิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าเปรตทธิโกศลทรงเคารพปุโรหิตอคิทัศตมากจนถึงกับว่าเมื่ออคิทัตมาเฝ้าพระองค์จะเสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ ถึงกระนั้นก็ตามอักิทัตไม่ปรารถนาเป็นราตปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเรือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระไทยพระราชาเสมอไปหรือข้อนั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเรือเกินหากพระองค์ได้ราตปุโรหิต มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วควรออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชาอนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับวระบรมราชาอนุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องปากไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนา มีคนเรื่อมใสออกบวชตามอคิทัศน์เป็นหมื่นๆ น, นักบวชเหล่านั้นมีอักิทัศน์เป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นมังคะและมะคตและแคว้นกุรุต่อกันเขาให้อวาชแก่นักบวชผู้เป็นสิทธว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนสายม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลียลงณที่นี้เป็นการทรมานอย่างหนึ่งเพื่อ เป็นอุบายให้จิตออกจากการมวิตกเป็นต้นเมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตึกเรื่องการเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออหิช ต, ตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ ชาวอังคะมะคตและชาวแขว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอคิทัตให้โอวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเขากล่าวสอนสิทธิ์อย่างนี้เหมือนกัน จนกระทั่งพระบรมศาสดาสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูปณิสัยของเวนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตตมักอรหัตตะผลของอคิทัตพร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าตรัสว่า บัดนี้อักิทัศน์กำลังสอนประชาชนให้เล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสํานักของอักิทัศน์ให้โอวาทแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสียเถิดพระเถระกราบทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกําลังมากทั้งจํานวนข้าพระองค์จะพึงกําราบได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปไซพระองค์จักการาบได้โดยแท้เราจะไปเหมือนกันขอให้เธอล่วงหน้าไปก่อน พระศาสดาตรัสพระเถระเดินไปคิดไปพรางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็ส่วนการลุกขึ้นเป็นพวกพวกจะทำอย่างไรดีเนาะท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ฝนลูกเห็บคือฝนเม็ดโตโตตกลงด้วยอานุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าบารรณศาลาของตนของตน พระเถระมุ่งไปยังวันสศาลาของอักิทัตรเรียกชื่อว่าอักิทัตอักคิทัตสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆใครนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามบอกไปว่าใครนั่นข้าพระเจ้าเองอักิทัตรพระมหาโมคานะตอบ ต้องการอะไรอคิทัตถามกระชา ก, กระชาข้าพระเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนด้านหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักพระมหาโมกกล า, เ, าเรียกชื่อว่าอคิทัตธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องมาหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออคิทัตถามอย่างคลางแคลง ใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนกันถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงๆบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคลานถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายแรงนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่น ตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมนนนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนควันให้เขาตายนาคราชบังหวนควันพระเถระก็บังหวนควันบ้างควันพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่ควันเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระ นาคราชพ่นไฟพระเถระเจ้าก็เข้าจตุธชานซึ่งเป็นบาทของอภิ ญ, ญิาออกจากสมาบัติอันมีเตโชกสินเป็นอารมณ์พ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไม่ดำมูลืสีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไม่พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั้นไม่เชื่อฟังคาของเรา พระเถระให้หนาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผลพังพานกลางกั้นพระเถระอยู่มูรืสีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาษของพระเถระแต่มาเห็นสิ่งที่ตนไม่ได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประของอัญชลีชมเชยอยู่ว่าหน้าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอานุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้ว ขณะนั้นเองพระาศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกลือีถามพระเถระว่าสมณานี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นาศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระาศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ลือียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอานุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้ อนุภาพของศาสดาจักเป็นเส้นไรพระศาสดาตรัสให้อักิทั์เข้าเฝ้าและตรัสถามว่าอักิทั์ท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและสิทธิของท่านอย่างไรข้าพระเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขายึดเอาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกได้ พระศาสดาตัดว่าอักขิทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแลยึดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดดังนี้มีเนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาหรือสีทั้งมดได้บรรลุ พระอารหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมะคตและกุรุถือสการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอักขิทั์เป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครนอใหญ่กว่าสมณโคดมหรืออักิทัต แต่อักิทัศน์คงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมนะโคโดมมาหาอักิทัตน์พระศาสดาทรงทราบวาราจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อักิทัศน์ตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอักิทัศน์จึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึงเจ็ดครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ อยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันลัเฆตปาติวันนี้ก็ได้ข้อคิดเป็นหัวขอรร้อทำเนี่ย ทั้งในสูตรนักทำตีโทเอกมีหมดเลย <c oughs> ถ้าใครเรียนเคยศึกษาอยู่ก็ได้ความรู้จะเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย <c oughs> เได้รู้รายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมขึ้นมาอีกบาง <c oughs> ในที่มาที่ไป <c oughs> ของสูตรต่างๆ ในสูตรที่เราสวดบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไรเหมือนกันเนี่ยอย่างภาหุงเวสรนังยันติรพพาต า, านิบนาณิจัตเนี่ยถือเอาภูเขาป่าไม้เนี่ยมันก็มีเรื่องประกอบมาเหมือนกันเนี่ยความเชื่อของคนนี้มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมาเหมือนกันเนี่ยเขาเกิด ในช่วงพทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นก็คิดเอาเดาเอาความคิดเนี่มาจากเหตุเหมือนกันนะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะี่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำหรือเจ้ารัธิบางครั้งก็เพื่อศักด์ศรีตนเองไม่รู้ก็โมเมบอกให้รู้ว่ารู้เอาก็มีเยอะแยะ อย่างครูทั้งหนี่มีหลายท่านในโมเมเอาเยอะแยะนี่นเหตุแห่งคนนับถือตอนเองก็ต้องการลาบสการะก็เลยสวมบทสวมบัตเป็นจริงไปตามเขาว่าเลยทีนี้เมื่อเขานับถือแล้วจะไม่บัญญัติอะไรเลยก็จะไม่สักสิทธ์ไม่ครั้งบัญญัติก็ไม่รู้ว่าจะบัญญัติอย่างไรตนเองก็ไม่รู้ก็เลยคิดเอาเดาเอาไปตาม ความรู้สึกของตนคนโง่โ ง, ง่ก็จะได้เชื่อได้นี่เพราะว่าเป็นเจ้าลัทธิเป็นาศาสนาษนี่เหมือนอักขิทัศน์นี่แหละนี่เออก็ทำให้เรารู้มาอีกว่าเขาเป็นปุโรหิตของพระราชบิดาของรพระเจ้าพปรสันทินี่แล้วก็มาถึงรุนโลกนี่เป็นระดับปรมาจารย์เนาะ เนี่ยบางแง่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าคนเรามีศรัทธานี่ต้องการที่จะออกจากโลกออกจากกิเลสนี่แต่เมื่อไม่ได้กระยาณะิตเนี่ก็อันตรายเหมือนกันเนาะเขาออกมาแล้วนี่ไปเป็นลือศีไปเป็นลือศีแล้วก็คิดเอาเองทั้งหมดพอมีบริวารมากนี่ยก็คิดไปอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเจ้ารัตทีแล้วก็ต้อง หาวุบายวิธีที่จะสอนเสรจต่างๆเนะี่ยแต่มันก็เลยเป็นกลายเป็นสอนผิดไปเนะี่ยสอนก็ไม่รู้จริงๆแสดงถึงความไม่รู้บอกให้ก็ไหวาต้นไม้ปูเขาจอมปวกนะี่ก็แสดงว่าไม่รู้จริงๆนะี่ถ้าเทียบกับยุคของเรานี่ก็ในบางประเทศเนะี่ยหรือพูดแบบคน ยังไม่พัฒนาหรือคนป่านี่เขาก็คิดลักษณะนี้เหมือนกันนี่โดยทั่วไปแล้วคนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่มีที่พึ่งนี่คงจะยากอ่าฉนั้นเมื่อสแสวงหาที่พึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้นาที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเมื่อผู้นำบอกว่าอย่างไรก็นับถืออย่างนั้นเนี่ยการนับถือต้นไม้จอมปลวกก็ก็อยู่ยงคงกระพันเหมือนกันนะมาถึงบ้านเราเหมือนกัน สมัยผมเป็นเด็กก็ยังนับถือกันเยอะมากที่เราได้ยินว่าดอนปู่ตาดอนปู่ตานี่นี่ก็คือแถวอีสานะมีมีเกือบทั่วๆั่วไปก็คือนับถือต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะตามชนบทที่ไกลความเจริญขาดการได้ยินได้ฟังธรรมะเนีเน่เขาก็เอาดอกไม้ไปบูชาไปาทําพิธีบนบานสารกล่าวนี่ สมัยเป็นเด็กนี่ทางสามแพ่งสีแพ่งมีทั้งนั้นเลยนี่ก็ถือว่ามัน เ, เข็ดแปแวงอะไรมันศักดิ์ส <c oughs> ิทธิ์่คนไปปรามาสไม่ได้ก็ทำกระทงบูช า, าทำข้าวทำอะไรไปบูชาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็าไปบนไปบานขอให้หายก็แต่ง ขันข้าวขันอะไรไปให้ผี <c oughs> ความเสื่อลักษณะมันก็ยังมีมาแม้ที่บ้านเองก็ยังมียังเป็นอยู่ตอนเป็นเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไรลนะคนแต่ก่อนเขาพาทำก็ทําไปอย่างนั้นนะจอมปลวกนี่ก็ไหวกันจริงๆนะจอมปลวกใหญ่ๆก็ไหวหลวงพ่อชาอย่างเงามาเทศว่า ก็เพราะศรัท ธ, ธาจอมปวกเนี่ยมันกินบ้านจนหมดหลังเลยวะ <c oughs> ทำไมต้องกินนะมันขึ้นอยู่ใต้ทุนบ้านนี่โอยบ้านนี่ศักศิธิ์ น, นี่มีปลวกขึ้นมานี่ยอย่าไปทำลายเลยนี่ยดีนี้ก็เอาดอกไม้ไปบูชานี่ปลวกเห็นไม้ใบ ไ, ไ, ไม้มันชอบเลยเนาะเอาไปให้เป็นอาหารของมั น, มนก็ออกมาเต็มก่ขอขึ้นมา ه, ก่อดินขึ้นมาโอ้นี่เจริญนี่นี่ขยายตัวขึ้นเยอะเลยนี่บ้านเราเจริญปลวกใหญ่ขึ้นก็อดอกไม้ไปให้มากขึ้นอาหารมันมากกูก่อขึ้นมากก่อไปก่อมาชนพื้นบ้านนี่พอชนพื้นบ้านมันกินไม้กินบ้านนั่สิกินไม่เหลือเลยเท่านก็เข้าใจอาวุเทศเหมือนกันนะให้เห็นนั่นแหละนับถือจอบปลวกปลวกกินบ้านหมดไม่เหลือไม่มีที่อยู่เลย ย้ายบ้านไปไหนก็ปวกขึ้นมาก็ศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเนี่ยทำบ้านถวายปวกหมดท่านบอกตนเองไม่มีที่อยู่ลักษณะนี้บ้านเราก็ยังมีเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนความงมงายความเชื่อต่างๆมันมีมามันคงไม่หายไปจากโลกหรอกสมกับที่ท่านว่าคนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยเนี่เหมือนสัญชัยอาจารย์ของ ภาษ า, ารีบทกับพระโมคลาเนะี่ยตอนก่อนเป็นมานบเนี่ยนี่ส่วนมาพระพุทธเจ้านะด้วยความมีทิฏฐิว่าถามลูกศิษย์ก่อนว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันนี่คนโง่มากาถ้าคนโง่มากก็คนฉลาดไปหาพระโคดมทัง้งคนโง่มาหาเราเราอยู่กับคนโง่นี่แหละมันถึงอยู่ได้มานะจนปัจจุบันเนะี่ย คิดว่ามันคงคู่กับโลกไปอีกนานนะเพราะคนฉลาดนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปคนโง่มันมากมันก็เหลืออยู่คนโง่หายไม่หายไม่สูญ ไ, ไปนี่คนฉลาดหมดยุคไปเห็นไห้ผู้ที่เจ้าบางทีว่างเว้นไปจากโลกนี้นี่ตั้งเป็นกับๆเลยนะเป็นพุทธันดอนหนึ่งก็คงจะไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะห่างไปกว่าจะมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็ เ, เป็นข้อคิดเหมือนกัน